สูตรที่กล่าวถึงบุคคลดังกล่าวไปเนี่ยนะทั้งสามสูตรสามสูตรก็คือตรวจดูทุกทิศไม่มีใครเป็นที่รักยิ่งกว่าเรากลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีกลุ่มที่สามกลยานามิตรที่ประกอบไปด้วยองค์เจ็การแสดงแบบนี้เรียกว่าแสดงโดย สัตตาทิฏฐานเนี่ยนะก็คือการแสดงพระธรรมโดยยกบุคคลเป็นที่ตั้งเนี่ยนะการแสดงพระธรรมโดยยกบุคคลเป็นที่ตั้งส่วนอีกสูตรหนึ่งเรียกว่าธรรมมาทิฏฐานธรรมาทิฏฐานก็คือสูตรที่ยกธรรมะเป็นที่ตั้งธรรมะเป็นที่ตั้งก็คืออะไรกุศลธรรมอากุศลธรรมโลกิยธรรมโลกุตระธรรมเป็นต้นนั้นเรียกว่าธรรมะที่ไม่ใช่กล่าวถึงสัตว์ไม่ให้กล่าวถึงบุคคลอะไรเลยเช่นพระองค์ตรัสว่าการมาสุขในโลกและทิพยสุข ไม่ถึงที่เซี่ยวที่สิบหกแห่งสุขกล่าวคืออรหัตผลอันเป็นที่สิ้นตัญหาก็าบอกว่าเอาอารหัตตผลเนี่ยนะมาหารสิบหกแล้วเอาหนึ่งในสิบหกเนี่ยนะมหารสิบหกแล้วเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งอ่ะนะเอาในสิบกเนี่ยมาเหลือหนึ่งเขาบอกว่าสุขทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกิยะทั้งหมดสุขเหล่านั้นไม่ได้เศษเซี่ยวของในในอรหัตผลเลย เขเรียกนะว่าเอาอา ร, อารหัตผลเนี่ยมาหารสิบหกเลยใช่ไหมแล้วเอาหนึ่งในสิบหกมาหารสิบหกอีกครั้งอะ่ะแล้วเอาหนึ่งในในสิบหกอธิถูกหารไปแล้วนะเขาบอกว่ารวมโลกิยะสุขที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เศษเสี่ยวของสุขอันนั้นเลยเนี่ยนะเมื่อไรนะจะได้ความสุขอันนั้นเขาบอกถ้าประสบสุขอันนั้นไม่โอ้ยทุกข์ใจไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะเชื่ยไหมความทุกข์ใจเกิดจากอะไรความทุกข์ใจเกิดจากอะไรก็เกิดจากตัญหานะี่ยแหละถ้าไม่มีตัญหาจะเอาอะไรมาทุกเนี่ยนะนะ เขาบอกว่าขนมสดเนี่ยนะขนมสดถ้าเป็นขนมโบราณที่ไม่มีสารอะไรประกอบเนี่ยนะขนมสดมันเกิดจากอะไรไอ้ขนมบูดเกิดจากอะไรก็เกิดจากขนมสดถ้าไม่มีขนมสดมันจะมีขนมบูดมาจากไหนชั้นใดก็ดีเนี่ยนะตันหาเนี่ยนะมันก็คือลักษณะของขนมสดทุกษัตย์ก็เหมือนกับขนมบูดเป็นต้นเรกขนมกุมมาบูด โบราณเนี่ยถ้าถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเขามีไอ้ขนมคล้ายๆขนมประเภทล อ, ลอดช่องเป็นต้นเป็นเป็นขนมสดที่ขนมสดเหล่านี้เนี่ยถ้าปล่อยให้บูดแล้วก็ต้องเอาทิ้งโดยส่วนเดียวเพราะว่าแม่แต่โคก็กกินไม่ได้เขาว่าทำไมมันเต็มที่เลยนะขนาดเลี้ยงโคก็เลี้ยงไม่ได้ที่ที่พระรัฐบาลให้เอามาใส่ในบาดของท่านเนี่ยนะ นนกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่ากามาสุขหรือว่าสุขในมน ис, ุษย์สุขในสวรรค์สุขในสวรรค์หกชั้นหรือสุขในพรหมโลกสุขเหล่านั้นทั้งหมดไม่ได้เศษเสี้ยวของสุขของพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะท่านเคยเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านเสียใจเหลือเกินท่านไม่น่าบรรลุเลยเนี่ยนะไม่น่าบรรลุเลยบรรลุแล้วเครียดอย่างนี้ไปบรรลุรักเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีรอกมันความสุขของของท่านน่ยมีแต่สุขโดยส่วนเดียว อันนะั้การกล่าวแต่สภาวะธรรมคือสุขสขุอันนี้ก็เปรียบโดยเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะพันเวทนาโดยเวทนาซึ่งซึ่งเป็นธรรมะเนี่ยนะเวทนาก็เป็นธรรมะนะความสุขก็คือนับเรื่องในธรรมะเพรา ะ, ะธรรมะเหล่านี้เนี่ยบอกว่าสุขที่เป็นอะไรนะสุขที่เกิดจากอะไรนะสุขที่เกิดจากโลภ ะ, ะกับสุขที่เกิดจากมหากุศลไหนดีกว่ากันอันนะัโสมนัสเวทนาหรือสุขเวทนาที่เกิดกับโลภะกับความสุขที่เกิดกับมหากุศลไหนดีกว่ากัน มหากุศลกับทานนะเป็นโสมนัสที่เกิดจากศีลประณีตกว่าโสมนัสที่เกิดจากทานศีลก็ไม่ประนีตเท่ากับจากภาวนาโสมนัสที่เกิดจากทานศีลภาวนาก็ไม่ประนีตเท่ากับฌานสุขฌานสุขระดับล่างก็ไม่สู้สุขระดับสูงจนถึงตตัยฌานได้โลกิยะสุขเหล่านี้ทั้งหมดไม่ได้เศษเสี้ยวของโลกุตระสุขเลยโลกุตระสุขนั้นสุขยิ่งกว่าแสดงว่าการออกจากโลกนี้ มีความสุขยิ่งกว่าการเกี่ยวข้องในโลกมันแปลสภาพได้แปลสภาพจากสุขมากลายเป็นทุกข์ได้เคยเห็นบ้างไหมสังขารเหล่าใดที่ไม่แปลสภาพมาเป็นมาเป็นอะไรมาเป็นทุกข์เพิ่งเข้าใจคำหนึ่งที่พุทธพจน์ว่าวิรากวิรากวิรชธรรมมังเนี่ยนะวิรัชธรรมมังรัชเนี่ยแปลว่ายอมหรือแปลว่ากาหนัดวิรัชก็คือคลายกาหนัด คือสังขารทุกชนิดเนี่ยนะในที่สุดเนี่ยนะมันก็อย่างที่กล่าวว่าดอกไม้ที่มันแปลสภาพไปเนี่ยบอกโอ้มาตั้งนี้สวยไหมบอกสวยมากงามห้าเดือนผ่านไปยังชอบใจอยู่ไหมเนี่ยนะอย่างมากที่ชอบก็เพราะหวนและลึกถึงความหลังที่เคยงามแต่ถ้าสภาพตอนนั้นเนี่ยแปรสภาพจากที่เคยพอใจได้คือทุกอย่างในที่สุดแปลสภาพเป็น แรีว่าที่สุดของทุกเรื่องจะนํามาซึ่งความไม่น่าพอใจนี่คือโลกของสังขารธรรมจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นโลกของสังขารธรรมทุกชนิดในที่สุดก็นํามาซึ่งความไม่พอใจเนี่ยนะนำมาซึ่งความคลายกําหนัดจนได้นํามาซึ่งบอกว่าจากซะได้ก็ดีเหมือนผมเนี่ยที่มันกําลังโอ้โหกำลังงามเนี่ยนะดีใช่ไหมดีถ้าตัดไปแล้วชับเข้าไปเนี่ยนะยังถือว่าดีต่อไปอีกไหมไม่ดีฟันนี่ดีไหมดีถ้าแปลงฟันแล้วบ้วนาน้ําออกมา ไม่เอาอีกแล้วเพราะในที่สุดสิ่งเหล่านี้แปลสภาพมามาเป็นที่ตั้งแห่งความคลายกําหนัดจนได้ทุกอย่างที่เราเรียกว่าหน้าพอใจที่สุดสิ่งนั้นในที่สุดเราก็เลิกพอใจเนี่ยนะนะจูสูตรหนึ่งพ่อองบอกว่าเธอพิสูจน์ทั้งหลายเธอเคยได้ยินไหมว่าตัณหานี่มันเป็นของเที่ยงความพอใจความต้องการนี่มันเป็นของเที่ยงเป็นของยั่งยืนเธอเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินพระเจ้าค่ะ พันสรุปว่าความต้องการความพอใจอะไรซักอย่างหนึ่งอยากคิดนะว่าจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเพราะอะไรก็เพราะวิรัชชธรรมนะนะธรรมนะ ท, ทั้งหลายมีในที่สุดเนี่ยนะมันทําให้คลายสภาพเลิกชอบมันจนได้อย่างแม้กระทั่งว่าอะไรนะเหล็กที่ดูงามในที่สุดสนิมมันก็ทําให้เลิกเลิกเป็นที่พอใจเพราะโลกของสังขารธรรมทั้งหลายเป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆรัน อธุนย้อนกลับมานะว่าการมาสุขทิพยสุขทั้งหมดไม่ได้เท่าเศษเสี่ยวของโลกุตระสุขเพราะว่าโลกุตระสุขเนี่ยนะจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความคลายกำหนัดเพราะอะไรแบบแบบลักษณะของสังขารธรรมนะโลกุตระสุขโดยเฉพาะมรรคผลเนี่ยนะถ้าเป็นอารมนาธิปติโดยส่วนเดียวนะเป็นอารมนาธิปติโดยส่วนเดียวของพระอริยเจ้าทั้งหลาย อีกสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงธรรมมาทิฏฐานว่าความทุกย่อมดับไปในนิพพานใดนิพพานนั้นอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงแล้วเป็นสุขดีหนอพระนิพพานนี้ไม่มีความโศกพระนิพพานนี้เป็นธรรมที่ปราศจากทุลีคือกิเลสพระนิพพานนี้ปลอดภยัยในเทระคาถาในเถระคาถาพระอาหารหันต์ที่ท่านได้บรรลุมรรคผลกันเนี่ยนะท่านมามาชื่นชมว่า ท่านชื่นชมท่านดีใจนะที่ท่านได้บวชแล้วเข้ามาประสบพบเห็นกับพระนิพพานที่เป็นที่ดับทุกทั้งมวลนะดับความทุกทางร่างกายและเป็นที่ดับทุกทางจิตใจเนี่ยนะมายวขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ปวดไหมเมื่อยไหมเป็นต้นไม่มีท่านมีแต่ความสุขทางกายและความสุขทางใจพระนิพพานนั้นเป็นที่ดับทุกทางกายและดับทุกทางใจนิพพานที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยสุขจริ ง, รงๆเนี่ยนะ เป็นสุขเพราะว่าทําให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะทั้งปวงถ้าแทงตลอดพระนิพ า, านนิพานเนี่ยไม่เป็นอารมณะปัจจัยของโสกเดี๋ยนะจะไม่เป็นอารมณะปัจจัยของโสกะเลยโสกะจะไม่มีพระนิพานเป็นอารมณ์มันถ้ามีนิพานเป็นอารมณ์เลิกโศกดอกโศกไม่เบ่งบานนะเฉาตายเลยนะดอกแบบนี้ยิ่งดอกแบบนี้ถอนรากถอนโคนได้นดีเพราะดอกเหล่านี้มันเท้าใจสกิมหมดเลยนะใจนี่แห้งแรงแรงแรง นั่นเหมือนอะไรดีแห้งเหมือนฤดูไหนบอกแห้งเหมือนทะเลทรายที่ประเทศไอเหมือนเหมือนแห้งแรงที่อินเดียอินเดียปีนี้เนี่ยไม่รู้ฝนตอนนี้ฝนตกไปบ้างหรือยังไม่รู้ที่มันแห้งแรงแรงจนตายไปพันกว่าคนเนี่ยนะแผ่นดินนี่แตกระแหงอย่างกับเอแตกระแหงจริงๆพพระนิพานนี่ไม่เป็นอย่างนั้นนิพานนั้นไม่มีความโศกถ้าตรัสรู้แล้วเลิกโศก ขณะเดียวกันพระนิพพานเนี่ยไม่เป็นที่ตั้งแห่งธุลีคือความธุลีคือฝุ่นละอองเนี่ยนะฝุ่นละอองคือราคะไม่เป็นที่ตั้งแห่งฝุ่นละอองคือโทสะไม่เป็นที่ตั้งแห่งฝุ่นละอองคือโมหะแล้วเขาบอกว่าเค็มังกเกษปลอดภัยไม่มีชาติภัยไม่มีชราภัยไม่มีมรณะภัยไม่มีภัยคือโซกกะปริเทวะไม่มีสิ่งที่น่ากลัวเพราะพระนิพพานไม่กันดานแห้งแล้งด้วยโจรด้วยอะไรเป็นต้นเนี่ยนะนั้นพระนิพพานนั้นจึงเป็นธรรมที่ ปลอดภัยเนี่ยนะแต่สิ่งที่มีภัยเนี่ยอะไรสังขารเป็นภัยพระนิพานปลอดภัยรูปเป็นภัยความดับรูปปลอดภัยเวทนาเป็นภัยความดับเวทนาปลอดภัยสัญญาเป็นภัยความดับสัญญาปลอดภัยสังขารเป็นภัยความดับสังขารปลอดภัยวิญญาณเป็นภัยความดับวิญญาณก็ปลอดภัยเนี่ยนะั้นพระนิพานนั้น นิพานนี่เป็นนิโรศ จ, จัจระใช่ไหมนิโรศ จ, จักระเนี่ยสังเกตดูจากคําอธิบายนิโรศ จ, จัจระนี้ปลอดจากทุกขศักจะและสมุทัยสัจจะเนี่ยนะเช่นบอกว่าสุขดีนอก็แปลว่าไม่มีทุกขศักระอยู่ในสภาวะของพระนิพานเลยแล้วก็ปราศจากทุลีคือกิเลสอันนี้ก็หมดอะไรไม่มีไม่มีอะไรไม่มีสมุทัยสัจจะแล้วก็ขณะเดียวกันปลอดภัย ไม่มีทั้งทุกข์และไม่มีทั้งสมุทัยเนะนี่ยนะธรรมนิพานนั้นเป็นอสังขตะเพราะเป็นธรรมที่ดับสังขตะโดยประการทั้งปวงเนี่ยน ะ, นะะการกล่าวแบบนี้ก็มีแต่ธรรมาธิฐานเพราะไม่มีใครอยู่ในนี้เลยมีใครอยู่ในทุกข์ไหมทุกข์มีอยู่แต่บุคคลผู้เป็นทุกข์ไม่มีความดับทุกข์มีอยู่แต่บุคคลผู้เอ่อแต่ว่าใครที่ดับทุกข์ไม่มีความสุขมีอยู่แต่ไม่มีผู้ใด สวรค์สุขไอคำพูดลักษณะนี้ให้รู้ถือว่าเป็นธรรมาที่ฐานเพราะไม่มีศัตว์อยู่ในนั้นแต่ผู้ที่แทงตลอดพระนิพพานเช่นว่ า, าพระอรหันต์ทั้งหลายที่พันปฏิยานก็อรหันตัวนี้ก็เป็นโวหารกถาเป็นถ้อยคําที่เอาไว้เป็นสัตตาที่ฐานแต่ขณะเดียวกันเราต้องแยกให้ออกว่าวพุทธพจน์ใ ด, ดเป็นสัตตาธิฐานพุทธพจน์ใ ด, ดเป็นปุคลาที่ฐานเรียกว่าเอา ปุลาที่ฐานสัตตาธิฐานอันเดียวกันแยกให้ออกว่าวพุทธพจน์ตรงไหนเป็นเปล่าแต่ธรรมะล้ว น, วน <c oughs> ธรรมะลว้ลวนนี่คืออะไรคิดง่ายๆว่าธรรมะคือขันอาญัตนะธ า, าตุสัจอินซีปฏิจจสมุปบาทนี่คือธรรมะ ธรรมะเรียกที่เป็นธรรมมาที่ฐานนะคือธรรมะเนี่ยโดยศั์แปลได้หลายอย่างแต่ธรรมะในที่นี้แปลว่านิสตานิชีวะสุญญาสภาวะหมายเขาว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละมีแต่ขันห้ามีแต่ยตนาสิบสองมีแต่ธาตุสิบแปดมีแต่อินทรีย์ยี่ิบสองมีแต่ปิติจัสมุบบาทมีแต่สัจจะมีแต่เหตุมีแต่ผลมีแต่ลักษณะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมมาที่ฐานแต่เขาบอกว่าขันห้าของผู้ใดอันนี้ก็เริ่มเชื่อมกลับไปหา ปุคลาที่ฐานหรือกล่าวแต่บุคคลจริงๆเพราะธรรมะเนี่ยก็ไมายว่า ส, สัตตาที่ฐานปุคละเทศนาานะบุคลาที่ฐานธรรมเทศนาก็มีการจับคู่กันแบบนี้อีกอะนะมีการจับคู่แบบนี้อีกในอัตกถามัชฌิมานิกายนี่ก็จะแยกให้ดูแต่นี้ตรงนี้ก็ยังไม่แยกนะเอามาดูแยกอีกนิดหนึ่งว่าสแสดงทั้งสัตตะทั้งธรรมะคละเคล้ากันไปสแสดงทั้ง สมมติสัจจะกับปรมาสัจจะแสดงทั้งโดยสัตว์และโดยธรรมะธรรมะแปลว่านิสัตตะเนี่ยนะแสดงทั้งโดยสัตว์และโดยธรรมะอย่างเช่นบุคคลฆ่าตันหาที่เป็นดุจมารดาอันนี้เขาแปลมาแล้วนะแต่ถ้าประฟังเป็นบาลีเลยว่าฆ่าแม่เลยแหละแต่หมายถึงฆ่าตันหาที่เป็นเหมือนแม่ทําไมละ่ะตันหาทําไมจึงเป็นเหมือนแม่แม่คืออะไรแม่คือใครแม่คือผู้ให้กําเนิดตันหาก็ลักษณะเดียวกันเป็นผู้ให้กําเนิดในวัตตะ ถ้าไม่มีตัณหาพาเกิดไม่ได้เกิดรอกเพราะนั <nada> <nada> ้นตัณหานี้เป็นธรรมชาติที่พาพาเกิดเพราะฉะนั้นถ้าจะฆ่าก็ฆ่าตัณหาที่เป็นเหมือนแม่พาเกิดนี่แหละฆ <nada> ่าตัณหาที่พาเกิดในการมาพบรูปประพบแล้วอรูปประพบฆ่าอสมิมานะที่เป็นดุจพ่อดุจบิดามาณะนี้เป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนพ่อปแปลว่าเป็นเหมือนพ่อโอ้ยเช่นะ่ะเป็นเหมือนพ่อก็ปแปล ว, ว่ามีลูกใช่ไหมเรานี่มันลูกของใครล่ะ อาหารการเราเนี่ยเป็นลูกกษัตริย์เราเนี่ยเป็นลูกของอาราชอัมมาต์ของกษัตริย์เป็นต้นพานต้องฆ่าไอ้มานะไอ้ความลำพองตัวนั้นซะแต่ฆ่าไอ้ความลำพองเหล่านั้นเป็นเหมือนกับพ่อเนี่ย น, นะเป็นเหมือนกับพ่อฆ่าสัสตทิฏฐิและฆ่าอุเฉต ท, ทิฏฐิที่เป็นดุลกษัตริย์ที่ราชสองพระองค์ไม่เหมือนกษัตริย์สององค์นะมันยิ่งใหญ่จริงๆเลยมันปฏิวัติได้อุเฉตก็ปฏิวัติได้สัสตาก็ปฏิวัติได้พานต้องฆ่าสัสตทิฏฐิกับ อุเชถทิฏฐิให้ได้ที่เป็นเหมือนกับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มากะนะยิ่งใหญ่จริงๆนะความเห็นเนี่ยเพราะสัจธรทิฏฐิก็ยิ่งใหญ่อุดเชถทิฏฐิก็ยิ่งใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าจะละคลายกันได้ง่ายๆแต่ควรฆ่าซะแล้วก็ฆ่าอายตนะ12ที่เป็นดุจชาวแว่นแคว้นะนะเพราะมันมันแผ่กระจายทั่วไปหมดเหมือนกับเว่นแคว้นเนี่ยนะเหมือนเว่นแคว้นเหมือนประเทศชาติเลยแหละเหมือนประเทศชาติ บ, บ้านเมืองเลยอายตนะสิบสอเนี่ย ตากับสีหูกับเสียงจมูกกับเปลี่ยนลิ้นกับรดกายกับโพธภิภใจกับธรรมารมณ์เนี่ยมันแผ่ขยายยิ่งใหญ่จริงๆตาหูเอ่อตากับสีหูกับเสียงเนี่มันเป็นสิ่งที่แผ่ขยายกระจายออกไปอันนี้ก็ควรค่าถ้าค่ายตนะ12บ่าพร้อมอะไรค่าพร้อมด้วยนันที่ราคะที่เป็นดุจเจ้าพนักงานเก็บภาษีอนะันที่ยวเก็บไปเรื่อยใช่ไหมไปเก็บภาษีจากทุกคนทุกแห่งนะตันหานี่มันเหมือนกับคนคอยเก็บ ภาษีเพราะฉะนั้นนี้เป็นธรรมมาที่ฐานบุคคลนั้นเป็นพระขีนาศพผู้ลอยบาปทิ้งได้แล้วไม่มีความทุกข์ถึงนิพพานอันนี้เป็นสัตตาที่ฐานคือบุคคลที่ฆ่าได้ตามดังกล่าวไปแล้วนี่แหละเป็นพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์คือผู้ฆ่าตัณหาผู้ฆ่ามานะผู้ฆ่าสัตตาทิฏฐิฆ่าอุชเช ท, ท, ทัทิฏฐิฆ่าอายตนะสิบสองฆ่านันที่ราคะ ผู้ฆ่าได้อย่างนี้แหละเรียกว่าบุคคลเรียกว่าเป็นสัตตาทิฐานก็เป็นสูตรที่แสดงทั้งสัตตาทิฐานและธรรมมาทิฐานอีกสูตรหนึ่งที่เป็นสัตตาทิฐานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอิทธิบาทสี่เหล่านี้สี่ประการมีอะไรบ้างหรือสี่ประการเป็นไฉนะ อิธิบาที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารอิธิบาที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารอิธิบาที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขารอิธิบาที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารอันนี้ก็เป็นธรรมมาที่ฐานก็เพราะกล่าวแต่ธรรมะมีธรรมะเป็นที่ตั้งเนี่ยนะมีธรรมะเป็นที่ตั้งมีฉันทะเป็นอะไรเป็นฉันทะ ฉันทาก็ไม่ใช่สัตว์อยู่แล้วใช่ไหมวิริยะก็ไม่ใช่สัตว์จิตก็ไม่ใช่สัตว์วิมังสาก็ไม่ใช่สัตว์เป็นแต่ธรรมะเอาฉันทาวิรยิยะจิตตาวิมังสานี้เป็นบาทที่ทําให้ประสบความสําเร็จนะการแสดงแบบนี้แหละเรียกว่าธรรมาธิฐานบุคคลนั้นตั้งปาทกะฌานคือฌานที่ประกอบด้วยวิม อ, อิทิบาสนี่นะตั้งปาทกะฌานจิตลงในกรัชกาย ตั้งกรัชากายลงในจิตอย่างสุขขสัญญ์าและหุสัญญ์าลงในกรรชากายเข้าถึงอยู่อันนี้เป็นสัตตาธิฐานก็คือคนที่มีอิทธิบาทที่ได้ฌานที่เกิดจากอิทธิบาทแล้วยังลงอันนี้ลงในกายบุคคลที่ทําได้อย่างนี้เป็นสัตตาธิฐานก็คือการกล่าวถึงธรรมะคืออิทธิบาทก่อนแล้วกล่าวถึงบุคคลผู้มีอิทธิบาตอิทธิบาต น, นี้เป็นธรรมมาทิฐานบุคคลที่มีอิทธิบาทเป็นสัตตาธิฐาน พันก็ถามว่าเดี๋ยวข้างหน้าจะมาแก้อีกครั้งหนึ่งว่าไอ้สัตตาทิฏฐานกับปุคลาทิฏฐานเนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งที่เป็นโวหารเอาไว้สื่อเอาไว้พูดกันเท่านั้นเองเนี่ยนะแต่ว่าบางคนเนี่ยพู้พูดที่พร้อมที่จะเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ไงถ้าบุคคลไม่มีผู้เจ้าแสดงทําไม น, นะก็มีบุคคลสินี่เนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนะก็ก็เป็นที่มาแห่งข้อถกเสียงกันแต่คนไทยเราก็ไม่ค่อยเถียงในประเด็นนี้เท่าไหร่เนี่ยนะแต่ว่าทั้งแขคนคนแขก คนอินเดียนี่ถือว่าโหเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากตกลงสัตว์มีหรือไม่มีกันแน่เนี่ยโอ้เรื่องนี้เขาเขาคุยกันเป็นเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาทุ่มเทมากเลยนะสละทุกอย่างเพื่อมาคุยเรื่องนี้นะเพราะว่าลงทุนเท่าไหร่ก็ช่างแต่เพื่อจะมาจัดสัมมน า, าคุยเรื่องนี้นะลงทุนเท่าไหร่เขาไม่เกี่ยงนะนะเพื่อจะได้คุยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตของเขามากแต่คนไทยเราก็เฉยๆยิ่งใหญ่ตรงนั้นเนี่ยโซลกลุ่มที่อ ชุดแรกนะชุดแรกโลกิยะโลกุตระพร้อมทั้งโลกิยะและโลกุตระชุดที่สองธรรมาที่สตาร์ิฐานธรรมาที่ฐานทั้งสัตว์และธรรมาที่ฐานกลุ่มที่สามเลยนะยานสูตรยานสูตรก็สูตรที่กล่าวถึงตัวปัญญากล่าวถึงตัวความรู้ตัวปัญญากับตัวความรู้ว่ายานใดเป็นโลกุตระยานใดเป็นเหตุให้เรียกว่าสัพพัญ ย, ยุตยาน ยานนั้นไม่มีความเสื่อมย่อมเป็นไปตลอดกาลนานโลกุตระธรรมก็เป็นธรรมที่ไม่เสนนื่อมนะสัพพัญยุตยานก็เป็นสิ่งที่ไม่ไม่เสื่อมเออไม่เสื่อมนี่มันตั้งโดอยู่เลยใช่ไหมันก็ยั่งยืนสิก็เที่ยงไอ้คาว่าไม่เสื่อมนี่หมายว่าพร้อมที่จะเจริญเมื่อไหร่ก็ได้เช่นสัพพัญยุตยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสัพพัญยุตยานเนี่ยยานอันนี้เป็นยานที่ไม่เสื่อมหมายว่ามันนึกเมื่อไหร่ก็ก็รู้ได้ทันที เนื่องด้วยการนึกนึกอยากรู้ก็รู้ได้ทันทีเอเรื่องนั้นเป็นยังไงแค่นึกว่านึกถึงเรื่องนั้นตั้บเข้าใจเรื่องนั้นอย่างทะลุโ ป, ปร่ปปรงหมดอย่างนี้แหละเรียกว่าสัพพันญุตญาณไม่มีคําว่าเสื่อมพระพุทธเจ้าบอกว่าถึงใครจะหามพระองค์ไปด้วยยาห น, น้อยหรือว่าเรียกว่าถึงว่าแบกเปเลยนะพระพุทธเจ้าปัญญาพระองค์ก็ไม่เสื่อมพระองค์นึกจะรู้เรียกว่าแรกตรัสรู้มีปัญญาอย่างใดปลายก่อนปัริณิพานก็มี ปัญญาฉันนั้นพระองค์ไม่เสื่อมจริงๆเนื่องด้วยอาวัชนะประสงค์จะรู้ก็รู้ได้ทันทีนะ น, น, นึกแล้วรู้ได้ทันทีเลยอันนี้เป็นยาณอเป็นญาณสูตรอนะว่าเป็นการกล่าวถึงตัวปัญญากล่าวถึงตัวความรู้เนี่ย น, นะกล่าวถึงตัวปัญญาและตัวความรู้ส่วนอีกคถานหนึ่งบอกว่า ปัญญาใดเป็นเหตุให้ถึงนิพพานปัญญาใดเป็นเหตุให้รู้นิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งความเกิดและความตายด้วยดีเนี่ยนะปัญญานั่นแหละประเสริฐที่สุดในโลกในบรรดาปัญญาทั้งหลายเนี่ยปัญญาในโลกมีเยอะเนี่ยนะไอ้คำว่าปัญญาเนี่ยนะมีมากมายหลายขแขนงด้วยกันเพราะปัญญานี่เป็นชื่อของความรู้แต่ความรู้เหล่าใดที่เป็นเหตุให้พ้นทุกข์อันนั้นแหะเป็นความรู้ที่สูงสุด ถ้าความรู้ใดรู้แล้วไม่พ้นทุกข์ความรู้อันนั้นประเสริฐตรงไหนใช่ไหมถ้ารู้สิ่งใดแล้วรู้แล้วดับทุกข์ไม่ได้ยิ่งรู้เลยยิ่งทุกข์ยิ่งรู้เลยยิ่งเครียดดีไหมรู้จนปวดหัวอย่างนี้เลยรู้เรียนดียังไงดฉะนั้นความรู้ที่ดีที่สุดก็คือความรู้ที่นํามาซึ่งความดับทุกข์ได้ความรู้ใดที่จบลงที่สามารถดับทุกข์ได้ความรู้นั้นอ่ะประเสริฐที่สุดในจํานวนความรู้ทั้งหลาย นะอย่างพระพุทธเจ้าที่พระองค์บอก พ, พิเศษรู้คนทุกคนยกย่องได้เนี่ยนะนะความรู้อันนี้ทําไมจึงมาชมเชยพระองค์มากเพราะเป็นความรู้ที่รู้แล้วดับทุกข์ได้เพราะนิพพานเนีแ่แปลว่าทำที่ดับทุกข์รมที่สงบทุกข์เนี่ยนะทำเป็นที่สางแห่งความทุกข์ทำเป็นที่ดับความโศกนะเป็นเหตุให้พ้นจากความทุกข์ความโศกทันปัญญาใดที่เป็นเหตุให้รู้พระนิพพานที่พ้นทุกข์พ้นโศก ปัญญานั้นประเสริฐที่สุดแลในจํานวนปัญญาทั้งหลายในบรรดาปัญญาทั้งหลายเช่นในบรรดากรรมสกตาปัญญาในบรรดาปัญญารู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเจริญญาโกศนอุปญะโกสนอปายาโกศนเกี่ยวกับเรื่องปัญญาเยอะแยะมากมาเนี่ยนะปัญญาที่ทําให้บรรลุมัตผลนิพานปัญญาที่เป็นเหตุให้ดับทุกข์ปัญญาเป็นเหตุให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจปัญญานั้นประเสริฐที่สุดกว่า ปัญญาทั้งหลายก็เหมือนว่าความรู้ในโลกนี้มันรู้มากมายรู้เยอะแยะไปหมดเลยเพราะความรู้เหล่านั้นถ้ารู้แล้วดับทุกข์ไม่ได้ก็ไม่ประเสริฐนะหรือรไม่ประเสริฐที่สุดไม่ใช่ปัญญาที่สูงสุดนั้นปัญญาที่สูงสุดคือปัญญาที่เป็นเหตุให้ถึงความดับทุกข์อันนี้ก็เป็นญาณสูตรสูตรที่ยกย่องถึงสภาพของตัวปัญญายกย่องถึงตัวความรู้ว่าความรู้ที่ดีความรู้ที่ไม่เสื่อมคือสัพพันญยุตยานความรู้ที่เป็นประเสริฐเลิศที่สุดก็คือ ปัญญาหรือความรู้ที่เป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานนะว่ารู้อย่างอื่นที่จะรู้มากมายขนาดไหนก็ไม่พ้นทุกข์รอกเนี่ยนะบางทีเขาบอกว่าดีกับไม่ดีเนี่ยนะรู้แล้วดีหรือรู้แล้วไม่ดีเนี่ยก็อะไรเป็นเครื่องวัดเขาบอกว่าโอ้ยคนนั้นรู้มากมายรู้เยอะรู้แยะไปหมดเลยมีแต่ความรู้เต็มพุงไปหมดเนี่ยนะถ้เป็นคนแขกก็เรื่อความรู้อยู่ในพุงเระงั้นต้อเอาเข็มขัดมาคาดไว้อันหนึ่งนะเข็มขัดอะไรใครนะสัจกะนิครนเนี่ยนะเขาเอาเข็มขัดทงอทงอะไรทองทองเหลืองอะนะ มาตีตีีเรามาคาดอกไว้เนี่ยนะกลัวพุงมันจะแตกได้กินไขมันเยอะ <c oughs> เขาบอกว่าความรู้มันอยู่ในพุงเท่ั้นเขามาคาดพุงไว้กลัวพุงมันจะแตกเอาเดี๋ยวปัญญามแตกก็เหมือนกันนะเถึงรู้เหล่านั้นเนี่ยรู้แล้วกับพ้นทุกข์บ้างไหมแบบไม่ได้ช่วยทําให้พ้นทุกข์อะไรหรอกเนี่ยนะรู้เยอะรู้แยะไปหมดเลยยิ่งรู้เลยยิ่งทุกข์บางทีเน่ยบอกบางคนว่ารู้จนทุกข์เาบอกงั้นถ้ารู้จนทุกข์แสดงว่าความรู้เหล่านั้นไม่ประเสริฐเลยแต่ความรู้ใดที่รู้แล้วดับทุกข์ความรู้นั้น ประเสริฐเนี่ยนะทีนี้ถ้ายายสูตรสูตรที่ควรรู้สูตรที่กล่าวถึงสิ่งที่ควรรู้ตัวความรู้กับสิ่งที่ควรรู้นี่คนละอย่างกันใช่ไหมสิ่งที่ควรรู้คือปัญญาสิ่งที่ถูกรู้อ่ะนะก็ก็คือไม่ใช่ตัวปัญญาแต่สิ่งที่ควรจะให้ปัญญารู้อ่ะคืออะไรบ้างอย่างที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนโทตกะอยู่ที่ไหน ปรายนวักคนีนะนะปารายวักอชิตะกลุ่มมานพสิบหกคนว่าดูก่อนโทตากาบุคคลรู้นิพพานนิพพานที่ไม่มีภัยอันใดในอัตภาพที่เห็นได้นี้แล้วเกิดหมายก็ว่าชีวิตในชาตินี้รู้นิพพานได้ผู้ที่เห็นนิพพานอย่างนั้นนะนะมีสติเที่ยวไปอยู่พ่งข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสติการในโลกเสียได้เราจะแสดงนิพพานนั้นแก่เธอ คือหมายคำว่านิพานเนี่ยนะเป็นธรรมชาติที่ไม่มีภัยนะนิพานนั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้ในชาตินี้แหละเหมือนกันเป็นสิ่งที่บรรลุได้ในตอนมีชีวิตนี้แหละบางคนนี่ไปแปลนิพานว่าตายผมเขาไม่อยากนิพานแล้วเขาก็แปลนิพานว่าตายพอแปลนิพานว่าตายแล้วจบเพลเลยกันะก็เลยไม่อยากฟังธรรมไม่อยากศึกษาไม่อยากไม่ต้องการทั้งปวงเพราะเขายังไม่อยากตายเราบอกกันเพราะเขาแปลนิพานว่าตาย หรือบางคนก็อนิพานเนี่ยที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้คือความเข้าใจผิดเหมือนอย่างว่าเนี่ยนะเขายังไม่อยากหายโรครออยากให้เป็นป่วยอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยนะก็นั่นแหละเป็นความเข้าใจผิดมันคำว่านิพานไม่ได้แปลว่าตายแต่นิพานเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เห็นได้ในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละสามารถบรรลุได้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละนิพานอันนั้นที่เราจะแสดงให้ให้เธอฟังเนี่ยนะแต่เธอต้องมีสติเที่ยวไปอยู่นะ ให้มีสติเที่ยวไปอยู่มีสติเที่ยวไปนี่มีสติมียังไงมีสติไปยังไงมีสติตรงนี้เอาระดับสูงสุดเลยแต่เธอต้องเที่ยวไปด้วยสัพเพสังขาราอานิจจตินะเธอต้องเที่ยวไปด้วยสัพเพสังขาราทุกขาติทเที่ยวไปด้วยสัพเพรธรรมาอานัตตาติคือเที่ยวไปด้วยใส่ใจในสัพพสังขารทุกชนิดโดยอนิจจังทุกขังและอนัตตาสติเนี่ชื่อเต็มเขาเป็นยังไง กายานุปัสนาสติปทานเวทนานุปัสนาสติปทานจิตตานุปัสนาสติปทานธรรมานุปัสนาสติปทานสติที่เป็นไปกับอนุปัสนาเจพิจารณาสังขารว่าไม่เที่ยงพิจารณาสังขารว่าเป็นทุกพิจารณาธรรมทั้งปวงว่าเป็นอัตตาก็ขอไปเป็นอนัตตาถ้ามีสติปัญญาพิจารณาสังขารทั้งหมดเป็นไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกธรรมเป็นอนัตตาเนี่ยนะ ด้วยอนุปัสนาเจ็ดถ้าท่องเที่ยวไปอยู่ไงจะข้ามตันหาข้ามตันหาที่เรียกว่าวิสัทธิกาได้วิสัทธิกามแปลว่าซ้านไปในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะก็จะข้ามไอตัวที่ซ้านออกไปได้เพราะฉะนั้นนิพพานที่จะพึงรู้ในใ น, ในอัตภาพที่เห็นได้นี่แหละเราจะแสดงแก่เธอพระพุทธเจ้าก็คือแสดงอะไรถ้าถ้าดูเท่ากับพระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะแสดงนิโรธสัจกับมรรคสัจกแก่เธอ ที่เธอสามารถบรรลุได้นี่แหละอันนี้เป็นอะไรเป็นยยาสูตรเป็นเรื่องที่ควรรู้มากเรื่องที่ควรรู้คืออะไรนิพานคือสิ่งที่ควรรู้การเจริญสติก็เป็นสิ่งที่ควรควรรู้ควรเจริญนิพานก็เป็นสิ่งที่ควรรู้การข้ามตัณหาก็เป็นสิ่งที่ควรควรรู้นี่แหละการแสดงพุทธพจน์แบบนี้เป็นการแสดงแบบยยาสูตรสูตรที่ควรรู้จริงๆควรทําความเข้าใจให้ดีควรควรเข้าใจควรรู้อันนะ ควรรู้กับความรู้ไม่เหมือนกันใช่ไหมสิ่งที่ควรรู้คือสัจจะสี่ความรู้คือปัญญาที่เห็นสัจจะทั้งสี่ทีนี้พอพระพุทธเจ้าตอบอย่างนี้ท่านโทตกะมาน ก, ก็กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็คือสแสวงหาศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัศนะเป็นต้นนั่นแหละบุคคลรู้นิพพานใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัตติกาในโลกได้ ข้าพระองค์ชอบใจนิพพานอันสงบสูงสุดนั้นข้าพระองค์ต้องการจริงๆต้องการนิพพานอันเนี้ยที่พระองค์แสดงเนี่ยนะที่เรียกว่าถ้ารู้นิพพานอันนี้แล้วก็ข้ามตันหาได้เป็นคนที่มีสติเที่ยวไปเที่ยวไปด้วยสติประญาเป็นต้นเนี่ยนะแมข้าพระองค์เนี่ยนะชอบใจเนี่ยนะข้าพระองค์นี่ชอบใจในในสิ่งนี้จริงๆ พระองค์ก็ตรัสตอบว่าดูก่อนโทตกะเธอรู้ชัดธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันครั้นรู้ชัดธรรมะนั้นว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วอย่าได้ก่อตัณหาเพื่อพบน้อยพบใหญ่อีกเลยฟังแล้วบรรลุเลยนะเนี่ยตามสูตรที่ฟังจบแค่นี้บรรลุเลยเขาบอกว่าเธอรู้ชัดรู้ชัดเนี่รู้ด้วยอะไรรู้ด้วยปัญญา ปัญญาก็คืออะไรก็คืออนุปัสนาทั้งหลายอานุปัสนาทั้งหลายที่รู้ที่ปัญญาตัวนี้รู้อดีตรู้อนาคตและรู้ปัจจุบันก็คือมีปัญญารู้อดีตรู้อนาคตปัจจุบันโดยที่ทมเหล่านั้นไม่เป็นที่ตั้งเห็นเครื่องข้องเครื่องข้องคืออะไรล้องด้วยราคคล้องด้วยโทสะล้องด้วยโมหะล้องด้วยมานะและก็ข้องด้วยทิฏฐิ ทำยังไงให้สิ่งที่เคยมีในอดีตสิ่งที่จะมีต่อไปในอนาคตสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นแห่งความติดข้องด้วยตัณหาไม่เป็นที่ตั้งแห่งความติดข้องด้วยโทสะโมหะมานะและทิฐิอย่าให้สิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งตัณหามานะเละทิฐิเลย ก็บอกว่าทั้งอดีตทั้งอนาคตและปัจจุบันนะอย่าให้ขันที่เคยมีในอดีตขันที่จะมีต่อไปในอนาคตขันที่กำลังมีอยู่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะอีกเลยเพราะฉะนั้นอย่าเอาตันหาที่ติดข้องเหล่านั้นนะก่อตันหาเพื่อพบน้อยและพบใหญ่อีกเลยเช่นพบน้อยคืออะไร การมาพบเป็นต้นพบใหญ่ก็รูปประพบกับอรูปประพบนี่ในในที่หนึ่งในที่สองพบน้อยก็คือตายแล้วศูนย์ใครที่คิดว่าตายแล้วศูนนี่เรียกว่าพบน้อยมันเหลือน้อยเดียวใช่ไหมเรือน้อยเดียวตายแล้วก็จบเลยไอ้พวกพบใหญ่ก็บอโอ้ยอีกยาวเรื่องนี้มันยาวเที่ยงยั่งยืนแน่นอนมันอยากก่อตัญหาเพื่อพบน้อยพบใหญ่แบบนั้นอีกอันนี้ชื่อว่าใหญ่สูตรสูตรที่ควรรู้เนี่ยนะสูตรที่ควรรู้มากนะนะ่ อีกสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงใหญ่ยสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัส ว, ว่าภิกษูทั้งหลายเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสี่ประการเราและเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดการระยะตลอดการยาวนานเหล่านี้นะเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจสประการเราและเธอทีอ่จึงท่องเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดการยาวนานอย่างเนี้ยเป็นไนก็เพราะว่ า, านะ เราและเธอทั้งหลายไม่รู้แจ้งอะไรอริยสัจ ส, สีนั่นแหลจึงท่องเที่ยวไปนานแต่บัดนี้เราและเธอทั้งหลายได้รู้แจ้งแทงตลอดทุกขาริยสัจเราและเธอทั้งหลายได้รู้แจ้งแทงตลอดทุกขสมุทัยอริยสัจได้รู้แจ้งแทงตลอดทุกขนิโรธอริยสัจได้รู้แจ้งแทงตลอดทุกขนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจ ต, ตัดตันหาที่ติดในพบได้อย่างไม่มีเหลือ สิ้นตันหาที่นําไปสู่พบแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีเมื่อพระองค์ตรัสพุทธพจน์เรื่องวยากรณ์นี้จบแล้วก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่า mm. เพราะไม่เห็นอริยสัจสี่ตามเป็นจริงเราและเธอทั้งหลายจึงต้องท่องเที่ยวไปในชาติคือการเกิดนั้นๆตลอดการยาวนานแต่เพราะได้เห็นอริยสัจสี่เราและเธอทั้งหลายจึงถอนตันหาที่นําไปสู่พบใหม่ ตัดรากเง่าแห่งทุกข์ได้อย่างไม่เหลือบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกนะก็เพราะไม่เห็นอริรรยสัจสี่ตามความเป็นจริงใช่ไหมจึงปฏิสนธิในพบแล้วพบเล่าอันที่เรามาปฏิสนธิในพบนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เห็นอริยสัจเพราะไม่เห็นอริรรรอรรรยสัจนั้นแล้วยงปฏิสนธิมาแล้วมาแล้วแล้วเล่าเล่ามันถ้ายังไม่เห็นอริรรยสัจอีกต่อไปก็แปลว่าต้องปฏิสนธิอีกนอน สำหรับพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าได้เห็นอริยรสัจสี่แล้วเราและเธอทั้งหลายจึงถอนตัญหาที่นําไปสู่พบใหม่ น, นะนะตัดรากเงาแห่งทุกข์ได้อย่างไม่เหลือบัดนี้พบใหม่จะไม่มีพอพระองค์แสดงงี้พระองค์ก็ส่งพระพิสุทธ์ไปประกาศพระศาสนาให้คนอื่นได้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยรสัจตามด้วยการกล่าวพระพุทธพจน์ดังที่กล่าวไปแล้วเรียกว่าใหญ่ยยสูตรสูตรที่ควร ควรรู้เนี่ยนะคือพระองค์รู้แล้วพระพิสุเหล่านั้นท่านก็รู้แล้วแล้วพระพุทธเจ้ า, ามาแสดงทำไมก็แสดงให้คนหลังๆเนี่ยควรรับรู้เอาไว้ควรรู้นะว่าเนี่ยความรู้อันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญถ้าไม่สาคัญไม่ควรรู้จริงพระองค์ก็ไม่เอามาแสดงเนี่ยนะที่พระองค์เอามาแสดงเพราะว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้จริงๆทันเวลามีการทาบุญให้ทานรักษาศีลเจริญคุณงามความ ด, าดีเหล่าใดเหล่าใดก็ตั้งเพื่อให้มี ความรู้เหล่านี้นั่นแหละให้มีความรู้ในอริยสัจสี่ประการที่ควรรู้เพราะถ้ารู้อริยสัจสี่ประการเหล่านี้แล้วตัดตัณหาที่ติดในภพได้อย่างไม่เหลือตัดความยึดติดในขันห้าได้อย่างไม่เหลือสิ้นตัณหาที่นำไปสู่ภพใหม่ได้เด็ดขาด พันต่อไปเนี่ยนะปฏิสนธิจะไม่มีอีกต่อไปมันจึงเป็นสิ่งที่ควรรู้อริยสัจสี่นี่ที่รู้แล้วพ้นทุกเนี่ยนะที่สูตรก่อนที่บอกว่าความรู้ใดที่รู้แล้วพ้นทุกความรู้นั้นประเสริฐพรันสิ่งที่ควรรู้รู้แล้วพ้นทุกคืออะไรก็คืออริยสัจมันความรู้ในอริยสัจนั้นจึงเป็นความรู้ที่ประเสริฐความรู้ถ้าจะรู้ก็ขอรู้อริยสัจสิ่งที่ควรรู้ที่น่า lectric, <correctly, S 2> <AKI S 1> รู้ก็คืออริยสัจมันทําทุกอย i, ่างก็เพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละเนี่ยนะ ทีนี้ถ้ากล่าวทั้งา ย, ายานะความรู้ยาะยะสิ่งที่ควรรู้เดี๋ยวก็ค่อยๆกล่าวตอนบ่ายก็แล้วกันสาหรับตอนเช้านี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน